นั่นฟังที่กคารค่ะเป็นเวลาช่วงที่สองของรายการแล้วนะคะหลังจากฟังพระมาชาควโรในช่วงแรกไปเราก็มาพบกับเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะโดยพระเพรบุญอภิปุณโนเป็นช่วงที่สองนี้ค่ะน้อมสักการกันทั้งค่ะเจริญพรค่ะสำหรับท่านเพรบุญท่านอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีชื่อนี้ดีจริงๆนะคะทิ <laughs> ่ฉนไปวัดท่านครั้งที่แล้วถ่ายรูปป้ายชื่อวัดมาเลยค่ะ เอาไว้เปิดดูแล้วสบายใจว่ามีที่พึ่งว่าไปแล้วหายโศกแล้วก็เป็นที่ดอนด้วยนะไม่ท่วมค่ะตอนนี้นะคะท่านเขามีการพูดถึงว่าองค์กรนาซาได้มีข้อมูลมาว่าต่อไปประเทศไทยกรุงเทพมันจะไม่เหลืออะไรอย่างเงี้ยแต่ดิฉันไม่อยากพูดซ้ำเยอะเพราะไม่อยากให้เราจิตตกอยังอยู่กรุงเทพกันต่อไปได้สบายสบายได้อย่างไรคะท่านคะ เออคือมันมันเป็นอย่างนั้นแน่นอนน่ะคืออันนี้ก็พยากรณ์สอดคล้องกับพุะรชาว่าอะไรมันก็จะไม่เหลือแน่นอนอะนะะตอนที่เราตายไปมันก็จะจากเราไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องมาดูที่ว่าเออเราจะทํำยังไงกับชีวิตของเราดีกว่านะแต่ที่จะไปดูไปไปโฟกัสที่ปัญหาเนี่ยเรามาโฟกัสที่ทางแก้ไขอือค่ะ ปัญหาที่ไหนมันก็มีไงคุณโยมติ๋วถ้าปัญหาที่ไหนมีอย่างในองค์กรเราในบ้านเราในบริษัทเราในครอบครัวเนี่ยมันมีปัญหาทุกอย่างถ้าที่ไหนมีคนนะที่ไหนยังมีกิเลสที่นั่นมีปัญหาแล้วถ้าคุณเจอปัญหาอยู่คุณรู้ว่าปัญหาคืออะไรแล้วคุณไม่ทําอะไรกับปัญหานะคุณเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาถามว่าทุกคุณเจอปัญหานี้คุณจะทำอะไรพระเจ้าก็เลือกทางที่จะแก้ไขปัญหาโดยการที่ออกมาหาวิธีการที่จะแก้ไขความทุกข์ที่ประโลมมีค่ะ นั้นก็แปลว่าอย่าไปสนใจที่ตัวปัญหามาสนใจทางแก้เถอะและถ้าเชื่อมั่นในพระศาสดาในรายการนี้เราก็มีแต่วิธีแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้ามอบให้ท่านอย่างนั้นนะคะมีมีปัญหาเลยค่ะท่านคะแต่เราจะต้องโฟกัสที่ปัญหาเพราะว่าเป็นช่วงในการตอบคำถามเพื่อจะเอาทางแก้มาให้ก็บอกว่าเมื่อเช้าเปิดฟังรายการตอนเกือบจะหมดเวลาก็เลยไม่ได้ฟังคาตอบ ถ้าอาจารย์เรื่องอักติอ๋อเคยตอบไปแล้วนะคะ<ช>ตั้งแต่ต้นก็ไม่ทราบว่าลงไฟล์ย้อนหลังหรือเปล่าแบบอัปเดตนะคะดูย้อนได้ไหมคะก็สามารถทําได้นะก็ะะจะอยู่ที่เพียอลธรรม com ะคอนั่นแหละค่ะก็ะจะเลือกบางตอนมาให้ฟังได้ก็เลยขอถามอีกนิดนึงเจ้าของคําถามนะคะบอกว่าการที่เรารู้ใจของเราว่าเราไม่ชอบอะไรไม่ชอบใครหรือชอบใครไม่ชอบอะไรบ้างแล้วไม่เจอกับสิ่งนั้นหรือคนนั้นเราก็เหมือน ตั้งกำบังให้ตัวเองขึ้นมาว่าเอาละเรากำลังจะเจอสิ่งนั้นเช่นฟังข่าวน้ำท่วมที่ออกทางังสือ่อที่เราชอบหรือไม่ชอบฟังนักการเมืองที่เราชอบหรือไม่ชอบพูดแล้วก็บอกกับตัวเองว่าต้องเพิ่มการเฝ้าระวังทวารการรับรู้ทั้งหมดในระดับสูงก็ปกติแสดงว่าใจพองฟูเพราะความชื่นชอบหรือใจไม่ผ่องใสมีการตั้งแง่ในใจเพราะไม่ชอบหรือเปล่าคะซึ่งส่วนใหญ่ตัวอักติจะแปลงกาย แผลริบอยู่ในช่วงนี้อันนั้นเป็นการอธิบายนะคะว่าอาการบริบทเป็นยังไง ม, มาถึงคำถามค่ะนี่คือกระบวนการทำงานของสติหรือเปล่าคะอสองเมื่อรู้ตัวว่าสิ่งที่คิดหรือทำออกมาเป็นอกุศลการกราบขอโทษอีกฝ่ายที่พระจารย์แนะนำน่าจะช่วยให้เบาได้จริงๆนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ในสภาวะที่ถ้าพูดขอโทษอีกฝ่ายออกไปแล้วเขาอาจจะงงหรือไม่เข้าใจเช่นคนต่างวัฒนธรรมต่างชาติ ขอภายในใจได้ไหมคะหรือว่ามีวิธีอื่นลบล้างได้อย่างไรอืมเอาทีละคําถามคําถามแรกคือความรู้สึกไม่ดีที่เรามีอยู่ในจิตยอย่างนี้นะเช่นชอบหรือไม่ชอบนะชอบมากเกินไปหรือไม่ชอบมากเกินไปเวียงทั้งสองด้านเนี่ยมันไม่ดีทั้งหมดแล้วาถามว่าคุณรู้อยู่ป่ะคุณรู้อยู่ใช่ไหมอ่าอันนี้คือมีสติถูกต้องพระพุทธเจ้ายังพูดถึงสตินะสัมมาสติเนี่ยที่เป็นส่วนของธรรมานุปัสสนสติปัฏฐานแล้วมีอยู่ในนิวรณ์นะ นิวรันเป็นสิ่งไม่ดีนะคุณโยมติเป็นสิ่งที่เราต้องควรลักจะเป็นคือเครื่องกังกันทําให้ปัญญาทําให้จิตของเราถอยกําลังเช่นความง่วงเหงาเข้นอนความคิดฟุ้งซ่านความคิดบ้าบ้าบอๆพวกนี้นะเป็นนิวรันทั้งหมดถามว่าถ้าเรามีสติอยู่ในนิวรันอันนี้ทําได้นะต้องมีสติอยู่ในนิวรันมีสติอยู่ในอกุศลธรรมทําได้ทําได้เหรอคะต้องมีด้วยซ้ำเดี๋ยวฉันกำลังง่วงอย่างเงี้ยจะมีสติอยู่ในนิว่วงยังไงคะคือถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีปัญหาเราแก้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีปัญหาในที่นี้เจ้าของคําถามนี้เขารู้แล้วว่าเขาเหวี่ยงเกินไปชอบฝ่ายนี้ไม่ชอบฝ่ายนั้นใช่ไหมถ้ารู้แล้วปล่อยวางได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งน ะ, ะคือมีสติแล้วเนี่ยจะมีสมาธิจิตมีกําลังพอที่จะปล่อยวางหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งแต่มีสติคุณต้องมีสติในการที่จะระลึกตรงนี้ได้ก่อน อ๋อค่ะนีะ่เท่ากับมีแล้วมีแล้วนี่คือกระบวนการการทำงานของสติใช่ทีนี้ถามว่าเอ๊ะถ้ารู้ตัวอย่างสมมติเวลาเราโกรธลูกน้องโกรธลูกเราอะลูกเราอะหรือว่าหลานเราเนี่ยเด็กมันไม่รู้ภาษีภาษาม ม, มาเล่นบ้าบ้าบอๆอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเราโกรธนะแต่เราก็ด่าเขาไปค่ะหรือว่าเรารู้ว่าเราโกรธเพื่อนร่วมงานเราโกรธลูกน้องเราโกรธคนอื่นอย่างเงี้ยแต่เราก็ด่าเขาไปแล้ว นั่นคือว่าคุณมีสติอยู่แต่ว่าคุณห้ามจิตตัวเองไม่ได้ห้ามปากไม่ได้ห้ามว่าจีสังขารในการที่จะเปล่งคําที่เป็นอกุศลอย่างไม่ได้ค่ ะ, ะเพราะฉะนั้นต้องทอํายังไงอ่ะก็ถ้าเรารู้ว่าจิตของเราเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าอันนี้จะรู้ว่าฟูใจขึ้นชอบไม่ชอบอันนี้เป็นความฟุ้งซ่ันทั้งหมดถ้าเรารู้แล้วว่าจิตเราเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะมีความรู้ต่อไปว่าอ๋อจิตเราไม่สมดุลคือหมายความว่ามีความฟุ้งซ่ันมากเนืนจิตที่ฟุง้งซ่านเนี่ยจะต้องทําให้สงบได้ด้วยการความสงบ คือสมาธิดังนั้นถ้าเราจเจริญสมาธิมากขึ้นมันจะสมบูรณสมบูรณ์แล้วเราจะปล่อยวางได้อย่างเราจะปล่อยวางสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยสมถาวิปัสสนาต้องมาคู่กัน <c oughs> ใช่ไหมถ้าเรามีแต่ความรู้แต่เรายังปล่อยวางไม่ได้แสดงว่าสักตัวใดตัวหนึ่งใน2ตัวนี้ไม่สมบูรณ์กัน <c oughs> เพราะฉะนั้นอะไรละ่ะที่จะมาทําหน้าที่รู้ว่าไอ้สมถาวิปัสสนามันสมบูรณกันหรือไม่สติไง ท่านคะงั้นเดี๋ยวดิวฉันขอถามจากตัวโจทย์ของท่านผู้ฟังท่านนี้นะคะว่ า, เ, าเวลาที่ใจพองฟูเพราะชื่นชอบหรือใจไม่พองสายตั้งง่าในใจเพราะไม่ชอบอันนี้นี่ถือว่าไม่สมดุลไหมคะถูกต้องเพราะว่าจิตมันขึ้นขึ้นลงลงมันมันไม่ปกติอืมค่ะอันนี้จิตไม่ปกติแล้วนะ อ, อจึงต้องเอาสติเข้าไปกำกับใช่คือเรามีสติรู้อยู่นะ เรารู้อยู่ว่ามนันขึ้นขึ้นลงลงอันนี้ดีแล้วนะ<ช>เป็นสติสมาถสติที่พระเจ้าพูดถึงล่ะดีแล้วล่ะทีนี้เรายังปล่อยวางไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะว่ามันยังปล่อยวางไม่ได้อะก็คือยังสมถาวิปัสสนายังไม่สมดุลกัน<อ>เราจะปล่อยวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นะคุณต้องมีทั้งสมถาวิปัสสนาณ์คือเห็นตามที่เป็นจริงด้วยจิตต้องมีกําลังด้วย2 อ, อย่างนี้ต้องมาคู่กันเหมือนเวลา<ช>ร้อยเข็มก็ได้คุณชมติยวมือซ้ายต้องนิ่งมือขวาต้องเคลื่อน นะต้องพอมอพอมะกันผดีพัวเข้าไปเลยค่ะถ้านิ่งเกินไปหรือเคลื่อนอย่างเดียวมันจะทํางานไม่ได้นะจิตของเราต้องมีสมถาวิปัสนาพอๆกันถึงจะปล่อยวางได้ทีนี้สติตรงเนี้ยเราฝึกไปฝึกไปเนี่ยเราจะรู้ว่าเราขาดอะไรระหว่างสมถะหรือวิปัสนาคนะถ้าอย่างในกรณีของความที่จิตลดผลไปมากแล้วเอา้าแสดงว่าเรามีวิปัสสนามากเกินไปแล้ว เ, เราทําความสงบอย่างนี้นะค่ะ คืออันนี้พระเจ้าเคยพูดไว้ในยะที่เกี่ยวกับเรื่องโพชงโพชงคือองค์ธรรมที่ทําให้ตรัสรู้ธรรมเนี่ยว่าจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยจะทําให้สงบได้ด้วยธรรมวิญยาสัมโพชงปีติ ส, สัมโพชงวิญญาณสัมโพชงเนี่ยยากแต่จิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยจะทําให้สงบได้ด้วยปัสสติสัมโพชงสมาธิสัมโพชงอุเบขาสัมโพชงได้หรือว่าจิตที่ขดหู่อย่างเงี้ย บางคนนั่งสมาธิไปโอ้หดหูง่วงนอนคิดอะไรไม่ออกเบื่อเซ็งทำอะไรไม่ได้เอาถ้าคุณรู้นะอดีละนะแสดงว่าจิตของคุณเนี่ยมีสมรรถามากเกินไปนะคุณต้องเอาวิปัสนาไปเสริมเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นอย่างนี้หดหูเนี่ยจะทำให้ตั้งขึ้นด้วยปะะัจสถิสัมโชงอุเบคาสัมโพชงสมาธิสัมโพชงเนี่ยไม่ได้ เราต้องทําให้ให้จิตของเราตั้งอย่างนั้นได้ด้วยธรรมวิญยาณสัมโพชฌงค์วิทยาสัมโพชฌงแล้วก็ปิติสัมโพชฌงคอันนี้จะได้พุณพรายกอุปมาอุปไมยเหมือนกับเวลาเราจะก่อไฟนะถ้าไฟมันกองน้อยๆอยู่อย่างเงี้ยคุณเอาทรายไปใส่คุณเอาไม้แห้งเอาไม้เปียกไปใส่คุณเอาอะไรที่มันจะดับไฟไปใส่เนี่ยไฟมันก็จะไม่ลุกนะแต่ถ้าเราเอาพวกไม้แห้งเอาโคลไม้แห้งเอาไมลรยฝุ่นลงไป ไฟมันจะลุกฮือขึ้นมาได้อันนี้เปรียบเทียบกับจิต ท, ที่โคตรถูค่ะอืมก็เท่ากับว่าอันนี้ยเห็นกระบวนการของสติแล้วแล้วก็ทีนี้มาถึงตรงที่บอกว่าการกราบขอโทษที่ว่าช่วยได้แต่ถ้าอยู่ต่างวัฒนธรรมการต่างชาติการขอโทษในใจได้ไหะอืมก็ทําได้ทั้งนั้นอะแต่มาว่าคือขอโทษเนี่ยมันต้องเสมอกัน ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสมมติเราประมาทพลาดพลั้งเข้าไปด้วยกายกรรมแล้วก็วจีกรรมแต่คุณไปขอโทษทางมโนกรรมเนี่ยมันก็คือคือโดยความเห็นส่วนตัวรมานะนี่ไม่ใช่พรธเจ้าบอกนะมันยังไม่เสมอกันอ๋องั้นถ้าสมมติเกิดเราเนี่ยได้เขียนอะไรถึงใครไปไปคอมอะไรคะไปคอมเมนต์อมเไปวิพากไปติดตินะคะในในในอินเทอร์เน็ตนี่แหละ ในอีเมลหลายคน อ, าอ่านและเราก็ได้รับคำตอบมาซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราควรที่จะขอโทษเราขอโทษไปในอีเมลอย่างนี้แปลว่าเสมอกันอ<ช>น่น<ช>้นรประกาศความผิดของตัวเองออกมาเลยฉันทำผิดแล้วทุกคนประนามฉันเธอนะต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำอีกอันนี้ถึงจะถูกมันเรื่องเดียวกันกับที่ท่านได้พูดไปแล้วไหมคะว่าในกรณีที่ แล้วท่านบอกว่าสมถากวิปัสนาไม่เสมอกันเนี่ยมันทําให้วางใจไม่ได้ใช่ก็ <c oughs> ยังวางไม่ได้ <c oughs> ก็จะทําสิ่งที่ควรทําไม่ได้ล่ะค่ะ <c oughs> แต่สมมุติว่าในกรณีที่ทําสิ่งเหล่านี้ไปแล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกกังวลเน่ะทั้งๆ ท, ที่ทําไปแล้วแล้วก็พิจารณาว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วอืมคะที่เปิดเผยในสิ่งที่เราได้ทําไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะอย่างอย่างนี้เนี่ยถือว่าสมถากวิปัสนาไม่สมดุลกันไหมคะ ก็คงจะต้องค่อยๆทําไปคุณโยมติว๋วคือคือเรื่องนี้อาตมาจะต้องชี้แจงให้เห็นว่ามันไม่ใชเ่เป็นเวลาที่เรานั่งสมาธิหรือเป็นเวลาที่เราจะมาพิจรารณาเห็นแง่มุมตรงนี้ในจิตของเรานะแต่ธรรมะนี่มันเกิดทุกเวลาไงในะขณะที่เราดูคอมพิวเตอร์อยู่อย่างเงี้ยมันมันเกิดอยู่ตลอดเวลาธรรมะในจิตอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทํายังไงให้จิตของเราเนี่ยอยู่เสมอกันกันกบในมรรคะนะทำอยู่ตลอดเวลาถ้าจาจารย์ท่านจาคล้ายๆกับพระพุทธองค์เนี่ย จะเป็นผูท้ที่พูดไปแล้วเนี่ยจะไม่มากังวลกับคำพูดที่พูดออกไปถูกไหมคะเอ่อใช่จะเป็นผู้ที่ไม่คือเพราะาพระองค์มีสติในการก่อนพูดแล้วอะ่ะอืมออค่ะตั้งแต่ก่อนพูดนี่ก็มีสติอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดไปแล้วเนี่ยไม่กลายมาเป็นปัญหาของพระองค์ อ, อ๋อดังนั้นถ้าใครไม่อยาที่จะต้องมาแก้ไขในสิ่งที่ทำผิดพลาด ก็ต้องฝึกสติให้มากจะพลาดน้อยลงอย่างนั้นใช่ใช่่สติตรงนี้เนี่ยลึกถึงขั้นที่เรียกว่าคุณปล่อยวางเลยนะอืมอค่ะเพราะว่าถ้าทำไปเรื่อยๆเนี่ยคืออย่างสติที่เรารู้ความไม่ดีไะอย่างกรณีของคุณเจ้าของกระถางเนี่ยคุณโชติการู้ไม่ดีแต่ว่ายังไม่มีสติถึงว่าเราขาดอะไรสมถะหรือวิปัสสนาถ้าเรารู้ขั้นต่อไปว่าอ๋อเรามีสติว่าเราขาดสมถะนะเราไปทําตรงนั้นพูดเราปล่อยวางได้ลึกลงไปอีกขั้นหนึ่ง นะคะอันนี้เรากําลังพูดสองอย่างปนกันคือถ้าฟังกับท้าอาจารย์เนี่ยก็หมายถึงว่าคุณโชติกาเนี่ยน่าจะเป็นผู้ปฏิบัติ ด, ด้วยถูกไหมคะใช่คิดว่าอย่างนั้นอถึงได้ถามคําถามที่เจาะลึกได้ในอาการของจิตต่างๆก็งก็ต้องตอบในลักษณะนี้แหละค่ะแต่ทีนี้ในกรณีที่คุณโชติกาพูดเนี่ยดิฉันก็เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะมีปัญหานี้เยอะนะคะก็เหมือนกับว่ามันไม่มีโอกาสเนี่ยที่สมมุติว่าเราเคยจับจ้วงพระสมมุตินะคะ <mm ในใจเนี่ยนึกประมาทพระที่บางคนเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เด้อเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมมตินะคะอ <mm ืมหรือว่าบางทีเนี่ยเป็นผู้นําเป็นคนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเราอ <mm แล้วเราก็รู้สึกผิดในใจอ <mm ่ะออืันนี้มีสติระลึกได้เลยอยากจะแก้ไข <O> จะไปประกาศร้องแร่รงไห้กระเชือมาก็ไม่ได้ถ้าถ้าขออภัยอยู่ในใจอันนี้น่าจะ คล้าๆกับคาถามของคุณโชติกาเอ้าทำไมจะไม่ได้อะประกาศความผิดตัวเองค่ะอันนี้ค่ะท่านคะดิฉันเชื่อว่าเพื่อจะได้เป็นแนวทางให้หลายคนที่มีความไม่สบายใจอยู่เนี่ยก็จะได้เอ่และขออย่างไงหรอขอโทษในใจเนี่ยอืมคือมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ว่าเราไปขอโทษกับบุคคลนั้นไม่ได้นะค่<ข>ะอ่าเราก็จะต้องประกาศความผิดของเรากับเพื่อนผู้ประพฤติปรมจาจันคนอื่นคืออย่างกรณีของพระเนี่ยก็คือมีการปรงอาบัติใช่ไหมแล้วมานั่งสมาธิอยู่ไปบี้ยุ่งอย่างเนี้ย โอ้ยเรารู้สึกไม่สบายใจเลยเราจะไปขอโทษยุงยุงมันก็ตายไปแล้วจะทำยังไงดีอ่ะงั้นเราไปบอกเพื่อนเรานะคนไหนที่คิดว่าท่านผู้นี้เป็นผู้สูตรใช่ไหมรู้ธรรมรู้วินัยเราก็จะเปิดเผยความผิดว่าท่านผมได้ทําสิ่งนี้ไปนะเพราะว่าเผลอสติละอะต่อไปนี้จะไม่ทําอีกอรับทราบไว้ด้วยนะอีกท่านหนึ่งก็จะสาธุโอเคจบนะเหมือนกันถ้าเราไม่สามารถไปบอกคนนั้นได้เราบอกคนสักคนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้สูตร และเป็นผู้ส่งทํามส่งวินัยในกรณีนี้อาจจะเป็นกะะนิลยานมิตรของเรานะหรือเป็นเพื่อนเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นครูบาอาจารย์เราใครก็ได้แหละนะที่เราจะเปิดเผยความผิดของเราได้ก็สามารถทําได้นะเป็นระบบการปรุงอบัตดเหมือ น, นกันอย่างบางคนนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาใช้วิธีสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยก่อนที่จะจบกระแถมซะหน่อยหนึ่งอขออโหสิกรรมอย่างเงี้ยเรื่องคล้ายๆ ก, กันไหมคะแต่อขอโทษ อ, อันนี้เป็นระยะที่ เป็นการทําความเพี่ยนนั่นคือเอาอากุศลธรรมออกจากจิตอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้จิตของเราไกลความปูกเปรนลงได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีทาได้อทีนี้เรื่องของอคติเนี่ยคุณยมติ๋วมันมีอยู่ทุกขนาดไงคือคือมันไม่ได้มารอเราให้นั่งสมาธินะรอเราให้ทําความดีมันมาตามทีวีมันมาตามโทรศัพท์มือถือมันมาทางคอมพิวเตอร์เดี๋ยวมันมาทางอีเมลทาง Facebook มันเอาเราทุกทางไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เราจะต้องเสร็จมันแน่นอนแต่เราจะรอดพ้นจากมันได้เนี่ยก็เมื่อเรามีสติรักษาจิตของเราอยู่ตลอดเวลาค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปค่ะก็สรุปแล้วก็ต้องฝึกปฏิบัติให้มากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเราจะนอกจากเป็นทางที่จะไปพ้นความทุกข์แล้วเรื่องที่เราเคยกังวลนะคะว่ามันแก้ไขไม่ได้อก็จะได้รับการคลี่คลายลงไปได้ในที่สุดด้วย ด้วยปาฏิหารดิฉันใช้คำนี้ได้ไหมคะของการปฏิบัติใช่ใใช้ได้เลยปาฏิหารนะคะก็รู้สึกว่าเวลาหมดแล้วละหมดแล้วต้องน้ำส ก, การกราบลาพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุลโนแะเพียงเท่านี้นะคะอาจารย์ท่านฝั่งที่เคารพคะและส่วนรายการของเราก็ต้องวันพรุ่งนี้ล่ะคะ่ะจะกลับพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งีห้าหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ขอเริ่ขอขอบคุณจากรายการสัมมนีสนทนาดิฉันสัมมนีนาณพง และขอให้ทุกท่านมีชีวิตที่สวัสดีกับการปฏิบัติตามพุทธวจนะพุทธวสวัสดีค่ะ